จเจริญพรท่านผู้มีจิตสัทธาฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทางศาสนา เป็นการบำเพญ็ญบำรุงพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมีความร่มเย็นมีความเจริญก้าวหน้าการมาวัดของท่านก็มาได้ในหลายรูปแบบด้วยกันบางท่านก็มาตอนเช้าทำบุญให้ทานตัก บ, บาทฝฟังเทศน์งธรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้าน เพื่อไปทำหน้าที่การงานอย่างอื่นต่อไปบางวันบางท่านมีเวลาว่างมากกว่านั้นก็ไปอยู่วัดกันสามวันบ้างเจวันบ้างหรือสามเดือนบ้างอย่างเช่นในขณะนี้กำลังใกล้จะถึงเวลาเข้าปรรษาเป็นธร<ม>รมเนียมประเพณีของชาวไทยพุทธเรา ถ้ามีลูกอายุครบบวชคือตั้งแต่อายุอายุ20ปีขึ้นไปเป็นผู้ชายถ้าลูกมีจิตศรัทธาอยากจะบวชพ่อแม่ก็จะพามาฝากไว้ที่วัดเพื่อเตรียมตัวเตรียมตัวบวชการบวชนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่างด้วยกันเพราะเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิต จากคารวาดให้เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นชีวิตที่ต่างกันพระเพศของคารวาดนั้นไม่ค่อยมีกำหนดกฎเกณฑ์มากนักไม่เหมือนกับเพศของพระที่มีพระวินัยข้อบังคับอยู่ถึง227ยข้อด้วยกันนอกจากนั้นยังมีกฎมีระเบียบอื่นๆอีกเช่นที่วัดนี้ ก็มีข้อทุดงขวัตที่พระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเช่นต้องออกบินดาบาร ท, ทุกวันยกเว้นไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องกลับมาฉันที่ศาลาฉันในบารอาหารทั้งหมดที่ได้มาที่ญาติโยมถวายมาให้เอาใส่าบาร ไม่ต้องใช้ถ้วยไม่ต้องใช้ชาเพราะต้องการให้ฝึกอยู่แบบเรียบง่ายไม่พิถีพิถันมากจนเกินไปนอกจากนั้นก็ให้ฉันมือเดียวคือตอนนี้ตอนเชาน้านี้เมื่อฉันเสร็จแล้วลุกออกจากที่นั่งไปแล้วก็ไม่ฉันอาหารอีกจนกว่าจะถึงเวลาวันรุ่งขึ้น เป็นการฝึกความอดทนเป็นการฝึกความมาักน้อยสันโดษเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานถึงวันละสามือสำหรับนักบวชเพราะนักบวชนั้นไม่มีภารกิจการงานที่จะต้องออกแรงมากมายการรับประทานอาหารเพียงมือเดียวกับจะดีกว่าด้วย เพราะว่าจะช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมเช่นการนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิถ้ารับประทานอาหารมากๆจะมีความง่วงเหงาเหงานอนนั่งไปแล้วก็สับประหกหลับในไม่ได้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิธีอุบายวิธีแก้ความง่วงเหงาหานอนอย่างหนึ่ง ก็คือให้รับประทานอาหารพอประมาณหรือถ้าต้องการให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นก็ให้อดอาหารเป็นครั้งเป็นคราวไปการรับประทานอาหารพอประมาณก็คือรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอประมาณแล้วพอเพียงแล้วแต่สำหรับบางองค์บางท่านที่ยังมีความรู้สึกง่วงเหงาเหา น, นอนอยู่ก็จะถือ การไม่ฉันอาหารคืออดอาหารไปเป็นเวลาหลายหลายวันด้วยกันเพราะจะทำให้มีความตื่นตัวไม่ง่วงเหงาเหานอนเวลานั่งทาสมาธิจิตจะมีสติจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าเวลาที่รับประทานอาหารตามปกติ นี่คือข้อวัดต่างๆที่ผู้ที่มาบวชจะต้องมาปฏิบัติในเรื่องต้นจึงให้มาลองดูก่อนเจดวันผู้ที่จะบวชวันนี้จะให้มาอยู่เป็นผ้าขาวเจดวันแล้วก็ปฏิบัติตามพระตอนเช้ามืดตีสี่ก็ให้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิพอตีห้าก็ให้ลงโบสถ์ทำวัด ไหว้พระสวนมนพอตอนสายหกโมงก็ออกไปบินทบาทกลับมาจากบินทบาทก็มาจัดอาหารมาแบ่งอาหารมารับประทานอาหารที่ศาลาถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วัวนพระก็จะมีการแสดงพระธรร ม, มเทศนาอบรมสั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้เป็นแนวทางต่อการปฏิบัติต่อไปเพราะการจะปฏิบัติตามทางพระพุทธศาสนาได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างจะต้องละอะไรจะต้องเสริมอะไรถ้าไม่ได้ศึกษาก็อาจจะไม่รู้เหมือนกับผู้ที่จะเดินทางไปสู่ที่ใดที่หนึ่งก็ต้องศึกษาดูว่า ทางที่จะไปนั้นไปอย่างไรอยู่ตรงไหนถ้ามีแผนที่ก็เปิดกลางดูถ้าไม่มีแผนที่ก็ต้องถามคนที่เคยไปมาแล้วถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ดังนั้นในทางาศาสนาจึงต้องมีการศึกษาเป็นเบื้องต้นมีการอบรมสั่งสอน เพื่อให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรจะต้องทำอะไรและเมื่อรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลจากการปฏิบัติเมื่อเห็นผลแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปนี่เป็นวิธีสืบทอดพระศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธการ เริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกก็เป็นการสั่งสอนเป็นการบอกทางมเมื่อมีผู้มีจิตศรัทธาฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะบรรลุ ถ, ถึงผลที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุ ถ, ถึงแล้วแล้ว ต, ต่อจากนั้นก็ช่วยพระพุทธเจ้าสั่งสอน แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งผู้อื่นเมื่อได้รับยินได้ยินได้ฟังมีศรัทธาก็นำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุได้แล้วก็สั่งสอนต่อไปออกพระพุทธศาสนาจึงมีความลวมเรือง ม, มาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าตราบใดยังมีการบวชเรียนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมอยู่ ศาสนาจะไม่สูญไปจากโลกนี้จะมีการบรรจุไว้ในรัฐธรรม น, นูในกฎหมายฉบับใดหรือไม่ก็ตามก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ชาวพุทธเราจะศึกษาจะปฏิบัติจนบรรลุเห็นผลได้หรือไม่เท่านั้นถ้าไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจฟังเทศฟังธรรมไม่สนใจที่จะปฏิบัติตาม ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้บรรลุถึงก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่ปรากฏขึ้นมาก็จะไม่สามารถนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เพราะเหมือนกับคนที่ไม่ได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปบอกคนอื่นเขาได้อย่างไรว่าจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ตรงไหน และดีอะไรอยู่ตรงนั้นดีอย่างไรจะไม่สามารถบอกได้ถ้าบอกก็เป็นการบอกแบบคาดคะเนบอกแบบบอกแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจพอถูกซักถามก็จะไม่สามารถตอบคำถามได้เพราะไม่ได้เห็นด้วยกับตาของตนเองแต่คนที่ไปถึงแล้วเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรต่อให้ถามอย่างไร ก็จะสามารถตอบคำถามได้เมื่อสามารถตอบคำถามทำให้ผู้ฟังผู้สนใจนั้นเข้าอกเข้าใจก็จะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก็จะมีความยินดีที่จะศึกษาและปฏิบัติตามและเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาต่อหนึ่งอย่างแน่นอนนี่แหละคือการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นล่มโพร่มใสเป็นที่เป็นที่พึ่งแก่สต์โรคไปเป็นเวลาอันยาวนานดังนั้นผู้ที่มาบวชจึงควรคำนึงเสมอว่าตนเองนั้นมีหน้าที่อย่างไรอย่าบวชศักแต่ว่าบวชตามประเพณี เห็นเขาบวชก็บวชบวชแล้วก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามพระวินัยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วบวชไปก็เสียเข้าสุดบวชไปก็เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ร่างของการบวชแต่ไม่มีสาระของการบวชอยู่เลยมีแต่กิริยาของการบวช เช่นมีการโกนหัวนุ่มผ้าเหลืองแต่ไม่มีสาระของของนักบวชนักบวชนี้ไม่มีธุระอย่างอื่นที่จะต้องทำไม่เหมือนกับคารวะญาติโยมที่มีภารกิจการงานมากธุระของพระของนักบวชนั้นพระพุทธเจ้าทรงกาหนดไว้เพียงสองอย่างเท่านั้นคือคันถธุระและวิปัสนาธุระ คันธุระแปลว่าการศึกษาริ่มเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาทุระแปลว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่คือหน้าที่หลักของพระภิกษุสัมเณรนักบวชทั้งหลายในพระพุทธศาสนามีเพียงสองอย่างนี้เท่านั้นเป็นเบื้องต้นหลังจากที่ถ้าหลังจากที่ได ศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุแล้วจึงมีหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์เผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งแต่หน้าที่อย่างอื่นนั้นไม่ใช่ถือว่าเป็นหน้าที่หลักเช่นการก่อสร้างต่างๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุโดยตรง เป็นหน้าที่ของคารวะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาถ้ามีจิตศรัทธาแล้วเขาก็จะสร้างให้เองไม่ต้องไปเรียรย่ยไรไม่ต้องแจกซองผ้าป่ า, าศาสนาพุทธนี้ไม่ได้เป็นาศาสนาของของคนขอทานเป็นาศาสนาของพระอริยเจ้าผู้กระเสริฐผู้มีจิตเมตตากรุณาผู้มีปัญญา เหนือเหนือคนอื่นเหนือเหนือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกรู้โลกเป็นสัตถาเทวะมนุษย์ศาสนาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องไปเรียรายขอเงินขอทองจากศรัทธายาโยมเพราะศรัทธายาโยมจะมีศรัทธาเองถ้ารู้ว่าเป็น พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องขอร้องเลยมีแต่จะขอสร้างขอถวายอยู่อย่างเดียวเช่นในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียวมีแต่ศรัทธาญาติโยมเป็นผู้สร้างถวายให้ทั้งนั้นเพราะพระพองค์ไม่ได้ถือว่าเป็นภารกิจของพระองค์ พระ อ, องค์มีหน้าที่สั่งสอนอบรมเท่านั้นมีภารกิจอยู่ห้าประการที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอยู่ประจำทุกทุกวันเรียกว่าพุทธกิจหคือตอนเช้าก็ทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ตอนตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนคารวะา ญ, ญาติโยมตอนหัวค่าก็อบรมสั่งสอน พรภิกษุสัมมาเนนตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาและตอนก่อนจะสว่างก่อนที่จะทรงเสด็จออกบินธบาตก็ทรงเล็งยานดูว่าจะมีสัตว์โรคคนใดที่จะสมควรแก่การไปโปรดไปสั่งไปสอนนี่คือภารกิจทั้งห้าประการ ทีพพท่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตลอด45ปีด้วยกันเป็นหน้าที่หลักของพระพุทธเจ้าเพราะองค์ไม่เคยนั่งปลุกเศกปลุกเหรียญทาพระพุทธรูปทําเหรียญต่างๆทําน้ำมนต์ต่างๆมาแจากให้ศรัทธายาโยองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทาให้ญาติโยมพบกับความสุขกับความเจริญ ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีไปก็เท่านั้นห้อยไปก็เท่านั้นตายเท่ากันตายเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะวิเศษหรือแตกต่างไปกว่าเดิมถ้าเป็นสิ่งที่วิเศษจริงแล้วพวกคนที่ห้อยพระทั้งหลายห้อยเหรียญทั้งหลายน่าจะเป็นผู้วิเศษไปหมดแล้วประเทศไทยจะมีแต่คนวิเศษ พราะมีการตลกเศษเหรียญมีการผลิตเหรียญแจกกันนับจํานวนไม่ถ้วนแต่ประเทศชาติกับเดินถอยหลังกับล่มจมเพราะเมื่อเพราะคนไม่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัตินั่นเองไม่สนใจที่จะทําความดีไม่สนใจที่จะละความชั่วละอบายมุกตต่างๆแต่กับสนใจที่จะ ส่งเสริมพวกอบายมุกต่างๆให้มีมากยิ่งขึ้นไปเช่นมีการพยายามที่จะทำให้การเล่นการพนันถูกกฎหมายการเปิดบอลเกิดถูกกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการเดินถอยหลังเข้าครองไม่ใช่เดินตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินตามนักปราดแล้วเมื่อไม่เดินตามนักปราดไม่เดินตามพระพุทธเจ้าแล้ว จะไปมีความสุขความเจริญได้อย่างไรความสุขความเจริญที่ได้ก็เป็นความสุขเจริญที่จอมปลอมไม่ใช่ของจริงเช่นสุขกับการดื่มสุรายาเมาสุขกับการเล่นการพนันสุขกับการเที่ยวกลางคืนสุขกับการเสพกามต่างๆเป็นความสุขที่จอมปลอมเพราะมันมีความทุกข์ตามมา มีใครบ้างที่ไม่ทุกข์จากสิ่งเหล่านี้เล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวกินเหล้าเมายาแล้วก็ไปทะเลาะวิวาสไปขับรถชนผู้อื่นประสบอุบัติเหตุนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่คนที่ไม่มีปัญญาที่มีความหลงครอบงำจิตใจอยู่จะไม่เห็นความทุกข์ กับเห็นเป็นความสุขดังที่ท่านพูดไว้ว่าเห็นกับตาละปัดเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นอบายยนุกต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ดีควรจะส่งเสริมควรจะทำให้ถูกกฎหมายถ้าลองปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจะวุ่นวายมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ จะมีการค่าฟันมีการเบียดเบียนกันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทั้งๆที่มีความเจริญในทางด้านวัตถุมีสิ่งของต่างๆมากมายกายกองมีรถยนต์มีถนนหนทางมีตึกรามบ้านช่องมีเครื่องปรับอากาศมีโทรทัศน์มีวิทยุมีเครื่องเสียงต่างๆเต็มไปหมด แต่ใจกับไม่ได้เจริญตางกับสิ่งเหล่านี้ใจกับเสื่อมลงไปถอยลงไปเพราะมีความโลภความอยากมากเพิ่มมากยิ่งขึ้นเห็นคนอื่นเขามีสิ่งของต่างๆก็อยากจะมีเหมือนเขาแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อมาเพราะไม่ได้ทำงานทำการหรือทำงานก็มีรายได้ไม่มากพอก็เลยต้องหาวิธีที่ไม่ถูก ต้องวิธีที่ทุจริตมีการช่อโกงมีการป้นมีการจี้มีการโกหกหลอกลวงและมีการฆ่ากันตายเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการโลกเราจะมีความเจริญกับความเสื่อมไปพร้อมกันความเจริญก็เจริญในทางด้านวัตถุซึ่งเป็นความเจริญที่จอมปลอม ความเสื่อมก็คือจิตใจจิตใจก็เสื่อมลงจากความเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีลห้าแล้วทางศาสนาก็ไม่ถือว่าเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะจะเป็นที่ไปต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าอยากจะให้เจริญจริงๆนั้นแต่ จะต้องเจริญทางจิตใจจะต้องพัฒนาจิตใจด้วยการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ได้บวชก็ให้ทำบุญทำทานให้เสียสละทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากกว่าความจำเป็นเป็นทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองที่เหลือใช้อย่าเก็บเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะเป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลต้องเสียใจเวลาที่สูญหายไปเอามาทำบุญเสียเอามาแจกใจ่ายให้กับผู้อื่นเสียแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับที่ท่านมาทำในวันนี้ท่านได้เสียเงินทองส่วนหนึ่งไปแต่ไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจรอมีความสุขใจ มีความอิ่มใจเพราะตั้งใจจะเสียตั้งใจจะให้การตั้งใจจะให้นี้เรียกว่าเป็นการทำบุญให้ทาน mm hmm. เพราะฉะนั้นขอให้เราเสียแบบนี้ดีกว่าเสียแบบที่เราไม่ตั้งใจจะให้แล้วมันจะเป็นโทษกับเราเช่นเวลาตายไปแล้วเสียดายสมบัติที่มีอยู่อาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์ในบ้านของตนเอง เป็นสุนัขบ้างเป็นตุ๊กแก่บ้างเป็นจิ้งจกบ้างเพราะความห่วงใยความเสียดายในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตนทำให้ตนเองยังไม่อยากยังไม่ไปไหนยังต้องเวียนว่ายเฝ้าสมบัติของตนอยู่แต่ถ้าได้บอยจากทรัพย์สมบัติที่มีเหลือเกินใช้นี้ไปแล้วเวลาตายไปใจจะไปสู่สุคติไปอย่างสงบ ไปอย่างมีความสุขเวลาไปเกิดก็จะมีทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองรอเราอยู่ได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็นต้นเพราะบุญกุศลที่ได้ทำมาในอดีตนั่นเองจึงอย่าประมาทในพระธรรมคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าอย่าไปคิดว่าเป็นการหลอกลวงเป็นพูดเรื่องไร้สาระคนสมัยปัจจุบนันนี้คิดว่าตายแล้วศูน ตายแล้วไม่ได้ไปเกิดอีกสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี่เป็นความเห็นของคนสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นความเห็นของคนตาบอดนั่นเองคนที่ตาไม่บอดเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านเห็นการเวียนว่ายตายเกิดท่านเห็นว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกจะไปเกิดเป็นอะไรไปสูงไปต่ำ ก็อยู่ที่บุญที่กรรมที่ได้ทำเอาไว้เพราะท่านเห็นใจนั่นเองพวกเราไม่เห็นใจเราเห็นแต่กายเราไม่รู้ว่าเรามีใจด้วยเราไม่รู้ว่าเวลาที่กายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับกายใจไปเกิดใหม่ใจไปหาร่างใหม่ถ้าทำบุญทำความดีก็จะไปได้ร่างที่ดี ไปเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นเทพบ้างไปเป็นโพรหมบ้างไปเป็นพรนปปนพะอริยเจ้าบ้าง น, นี่คือที่ไปของใจที่ทําความดีที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใจที่ไม่ทําความดีทําแต่บาปแต่กรรมตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัมเนรกบ้าง นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เห็นไม่มีความสงสัยเลยจังได้นำเอามาประกาศสั่งสอนให้กับสัตว์โลกเพื่อจะได้ไม่ประมาทเพื่อจะได้รีบทำบุญทากุศลเพราะไม่มีโอกาสอันไหนที่จะดีเท่ากับการเป็นมนุษย์เพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่จะทำบุญหรือทำบากนั้นแทบจะไม่มีเลย ถ้าเกิดเป็นเทพเป็นพรหมก็จะมีแต่ความสุขไม่มีใครมีความทุกข์บนสวรรค์ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องช่วยเหลือใครไม่ต้องทำบุญกับช่วยเหลือใครถ้าไปตกนรกไปอยู่ก็เหมือนกับไปติดคุกติดทารางก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญทำกรรมทำบุญเช่นเดียวกันมีแต่จะทำบาปต่อกันเหมือนคนที่ติดนรกจะเบียดเบียนกันจะทาลายกัน มีภพของมนุษย์นี้เท่านั้นที่เราสามารถจะทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยเกื้อหนุนให้ทำบุญเพราะมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากมากกว่าเรามีอยู่เป็นจนํานวนมากถ้าเรามีเงินมีทองเหลือใช้เราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากได้หรือจะทำบาปทำกรรมก็ได้ เพราะมีสิ่งยั่วใจล่อใจให้ทำบาปทำกรรมอยู่เสมอมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของต่างๆที่ล่อใจให้อยากได้ให้อยากมีแล้วเมื่อไม่มีเงินทองที่จะซื้อมาเองได้ก็จะต้องเบียดเบียนผู้อื่นทำผิดศีลผิดธรรมไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณี ไปพูดปลดมดเท็จโกหกหลอกลวงนี่คือพบของมนุษย์ทาได้ทั้งสองส่วนถ้าเกิดมาแล้วได้เจอพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นโชคสองชั้นเพราะจะได้เจอพระธรรมคำสอนจะได้รู้ว่าเกิดมาเพื่อทําอะไรพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเรารู้ว่าเกิดมาก็เพื่อมาทําความดีเกิดมาเพื่อมาละบา ก่อนมาเพื่อมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเพราะเป็นต้นเหตุที่จะพาให้เราไปทำบาปพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นนั่นเองเราจึงต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติถ้ายังไม่มีเวลาพอที่จะบวช ก็ศึกษาปฏิบัติในฐานะของคารวะาไปก่อนวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทาบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมถ้ามีเวลามากบวชได้ก็ออกบวชกันออกบวชแล้วจะได้มีเวลาบําเพ็ญได้มีเวลาปฏิบัติได้มากและปฏิบัติได้อย่างเข้มข้น ผลที่จะปรากฏขึ้นจะก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นกอบเป็นกรรมต่างกับการเป็นค า, าวาเพราะจะไม่มีเวลามากพอที่จะปฏิบัติได้นั่นเองเหมือนกับนักกีฬาอาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่นมีความต่างกันนักกีฬาอาชีพนั้นเขามีความสามารถเขามีฝีไม้รางมือเขาสามารถคว้าชิงรางวัลต่างๆได้ แต่นักกีฬาสมัครเล่นนั้นจะไม่มีความสามารถพอที่จะไปคว้ารางวัลต่างๆมาครองได้ฉันใดนักปฏิบัติอาชีพกับนักปฏิบัติสมัครเล่นก็เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติสมัครเล่นโอกาสที่จะได้ควา้าได้ผลจากการปฏิบัติจะมีน้อยมากก็มีพอให้หอมปากหอมคอเท่านั้นเองพอเป็นหนังตัวอย่างให้น้าลายหก เพื่อที่จะได้เกิดมีศรัทธามีความอยากที่จะปฏิบัติอย่างนักปฏิบัติอาชีพส่วนนักปฏิบัติอาชีพดีเขานี่เขานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะได้สมบัติได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้คว้ามาครอบของแล้วจะเป็นนักปฏิบัติอาชีพดีเท่านั้นดังนั้นถ้าเรา ได้ยินได้ฟังและเรามีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและอยากจะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ได้รับกันแล้วเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติไปจนกว่าเราจะเห็นว่าการเป็นคารวะ น, นี้มันไม่พอเพียงแล้วเราก็ออกบวชกันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ ในตอนต้นเราก็ปลูกไว้ในกระถางก่อนแต่เมื่อต้นไม้เริ่มเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆรากมันก็จะทำให้กระถางแตกได้ก็รู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องเอาต้นไม้นั้นลงดินถ้าเก็บไว้ในกระถางต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโ ต, ตมากไปกว่านี้ฉันใดาการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นในเบื้องต้นก็ต้อง ปฏิบัติศึกษาแบบสมัครเล่นไปก่อนพอเริ่มเห็นผลแล้วพออยากจะได้ผลมากขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องเตรียมตัวออกปฏิบัติมีภา ร, รกิจหน้าที่การงานอะไรที่ยังคั่งค้างอยู่ก็รีบทำให้เสร็จมีพันธะผูกพันอย่างไรก็หาวิธีตัดไปเสียอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่า น, นี้เป็นเหตุให้เราไม่ได้ออกปฏิบัติ เพราะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐ โ, โลกเท่ากับการได้ปฏิบัติอย่างมืออาชีพและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและไม่มีใครจะทำได้นอกจากมนุษย์นี้เท่านั้นดังนั้นอย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นสามีภรรยาลูกเป็นภาระเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำให้เราได้ออกบวญ หรือภารกิจการงานต่างๆทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆสิ่งเหล่านี้เขาไม่ช่วยเราได้เวลาที่เราจะเวลาที่เราทุกเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นดังนั้นจึงขอให้เราจงพยายามเข้าหาพระธรรมคําสอน พยายามศึกษาให้มากแล้วก็ปฏิบัติให้มากแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการเข้าวัดมาศึกษามาปฏิบัติไม่ว่าจะมาชั่วคราวหรือมาอยู่อย่างถาวรขอให้ท่านจงนําเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแค็วแกา่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ